คุณทวัรดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะรายการสันสนีสนธนาดิฉันสันสนีนาพงมาพบกับท่านที่สถานีวิทยุเอฟเอ็มครอบครัวข่าวแห่งนี้นะคะเรามาที่นี่เพราะต้องการที่จะให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเข้าถึงคำสอนของพระาศาสดาและรายการเราก็โชคดีมากค่ะที่มีพระสงฆ์ปฏิบัติีปฏิบัติชอบซึ่งศึกษาคาสอนของพระาศาสดาอย่างลึกซึ้ง มาเป็นผู้ให้ธรรมะกับเรานั่นก็คือพระภัยบู์อภิปุลโนที่ปัจจุบันนี้ดิฉันขออนุญาตเรียกท่านว่าพระมหาภัยบู์อภิปุนโนจากวัดปาดอนหายโซอุดรธานีวัดที่มีการจัดคอร์สปฏิบัติธรรมให้กับผู้ที่สนใจจะไปหลีกเล้นกันอย่างสม่าเสมอทุกๆเดือนสัปดาห์หน้าก็จะเป็นสัปดาห์ของการปฏิบัติแล้วนะคะพวกเราฟังอยู่อาจจะแม้เสียดายไม่มีเวลา รายการนี้เลยค่ะตั้งแต่ตอนต้นของรายการท่านต้องเตรียมตัวกันตั้งแต่นาทีนี้แล้วเพราะว่าเมื่อไปพบกับพระอาจารย์ปุ๊แบแป๊บเดียวท่านก็จะเริ่มที่นำพวกเราเข้าสู่การปฏิบัติคล้ายๆกับการที่เราไปหลีกเร้นด้วยเหมือนกันตั้งแต่ตอนต้นของรายการเลยนะคะตอนนี้ไปกราบนมัสการท่านกันเลยค่ะ น, นมักการานะคะเจริญพรเวลาที่เรามาฝึกสติโดยการเป็นการทำอย่างเป็นรูปแบบหรืออย่างไม่เป็นรูปแบบก็ตาม เวลาที่เราฝึกนั้นก็ด้วยการใช้ลมหายใจของเราแต่ลมหายใจที่เรามีอยู่ตลอดเวลาแล้วแม้แต่ในขณะที่นอนหรือในขณะที่เข้าห้องน้ำเราก็จะไม่ได้หยุดลมหายใจนานเกินไปซึ่งการที่เราจะตั้งสติเอาไว้ไม่ว่าจะมีลมหายใจหรือไม่มีลมหายใจก็ตามจุดที่พระเจ้าให้ตั้งเอาไว้ก็คือบริเวณเฉพาะหน้าในขณะนั้นลมที่ผ่านเข้าผ่านออกบางทีมันเบาบ้างมันแรงบ้าง ในขณะที่เบาสัมผัสอาจจะไม่เกิดแต่ว่าเราก็ให้ใช้ตำแหน่งเดิมในการที่เราจะมาระลึกถึงลมหายใจลเราไม่ใช่ที่มีอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดานี้เราไม่ต้องตามลมละไม่ต้องบังคับลมเวลาเรามาตั้งจิตของเราไว้ที่นี่แน่นอนบางทีอาจจะมีความคิดความนึกและซึ่งถ้าความคิดความนึกที่มันผ่านเข้ามานั้นเป็นความคิดในเรื่องที่ไม่เป็นในทางกลางนะไม่เป็นไปในทางพยาบาทไม่เป็นไปในทางเบียดเบียน ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะในสิ่งที่เป็นตอนนั้นก็เรียกว่าเป็นสัมมาสังกปะหรือว่าเป็นความดําริชอบแในะความดําริชอบนี้ที่มีความคิดอยู่อย่างนี้เราสามารถทรงเอาไว้ได้ในะรายละเอียดที่พระเจ้าได้เคยตรัสเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องความคิดในขณะที่เรามีสติอยู่เนี่ยได้ตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อเราเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ เกิดมีความคิดในทางหลีกออกจากกามหรือมีความคิดในทางไม่พยาบาทหรือมีความคิดในทางไม่เบียดเบียนเกิดขึ้นแก่เราเรานั้นก็ย่อมมีสติรู้ชัดว่าความคิดต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าความคิดในทางไม่เป็นไปทางกามในทางไม่พยาบาม และไม่เบียดเบียนนั้นไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายแต่เป็นไปพร้อมเพื่อความเจริญแห่งปัญญาไม่เป็นฝกักฝ่ายแห่งความครับแค้นเป็นไปพร้อมเพื่อนิพันแม้เราจะตรึกตามตรองตามถึงความคิดในทางกุศลเหล่านั้นตลอดเืินก็มองไม่เห็นภัย ที่จะเกิดขึ้นเพราะความคิดเหล่านั้นเป็นเหตุแม้เราจะตรึกตามตรองตามถึงความคิดในทางกุศลเหล่านั้นตลอดวันหรือตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนก็ตามก็ไม่มองเห็นภยัยที่จะเกิดเพราะความคิดในทางกุศลเหล่านั้นเป็นเหตุก็แต่ว่าเมื่อเราตรึกตามตรองตามนานเกินไปนะักล้ก็จะเมื่อยลา้า เมื่อกายเมื่อยล้าจิตก็จะอ่อนเปลียเมื่อจิตอ่อนเปลียจิตก็จะเหินห่างจากสมาธิเพราะนั้นเราจึงดํารงจิตให้หยุดอยู่ในภายในกระทําให้มีอารมณ์อันเดียวตั้งมั่นไว้ข้อนั้นพระเหตุหลายเล่าเพราะเราประสงค์อยู่ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งขึ้นเลยพิสูจทั้งหลาย เธอผู้ใดที่ตรึกตามตรองตามถึงอารมณ์ใดๆมากจิตย่อมน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเธอตรึกตามตรองตามถึงความคิดในทางหลีกออกจากกามเป็นอันมากก็เป็นนั้นว่าเธอนั้นละความคิดในทางกามเสียกระทำแล้วอย่างมากซึ่งความคิดในทางหลีกออกจากกามจิตของเธอนั้น ยอมน้อมไปเพื่อความตรึตรกในการออกจากกล่มถ้าเธอตรึกตามรองตามเป็นอย่างมากถึงความคิดในทางไม่เบียดเบียนก็เป็น น, นว่าละความคิดในทางเบียดเบียนเสียกระทําแล้วอย่างมากซึ่งความคิดในทางไม่พยาบาทชีของเธอนั้นก็ยอมน้อมไปเพื่อความตรึกในการไม่พยาบาทถ้าเธอตรึกตาม รองตามถึงความคิดในทางไม่เบียดเบียนเป็นอันมากก็ชื่อว่าจิตของเธอน้นน้อมไปเพื่อความคิดในทางไม่เบียดเบียนเปรียบเหมือนในเดือนสุดท้ายแห่งฤ ด, ดูร้อนเมื่อข้าวกล้าทั้งหมดขนไปในบ้านเสร็จแล้วคนเลี้ยงโคพึงเลี้ยงโคได้เมื่อเขาเข้าไปพักใต้ร่มไม้หรือไปกลางทุ่งแจง ก็พึงทำแต่ความกำหนดว่านั่นฝูงโคดังนี้ก็พอแล้วถึงแม้ว่าในจิตของเราก็เป็นลักษณะนั้นเหมือนกันเวลาที่เรามีความคิดนึกใดๆถ้าเป็นความคิดที่เป็นลักษณะสัมมาสังกัปปะเราก็สามารถที่จะทรงความคิดนั้นไว้ได้โดยการที่เรามีสติอยู่ยงต่อนเนื่องต่อไปนั่นเองไม่มีปัญหาเจริญปนานใช่ถูกค่ะค่ะท่านฟังที่ครบค่ะและนั่นก็เป็นการนำท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรม ประกอบกับการอ่านพระสูตรของพระาศาสดาให้กับเราได้ฟังกันโดยธรรมหาภัยบุญอภิปุโนนะคะท่านค้พระสูตรที่ท่านได้อ่านไปเนี่ยความหมายอย่างไรล่ะค ะ, ะพูดถึงเรื่องของความคิดนั่นเองนะคือบางคนเนี่ยอาจจะมีความคิดว่าเอ๊ะฉันคิดมากเหลือเกินเวลาทําสมาธิอันนี้หลายๆคนเจอตัวมาเองเป็นบ่อยมากสมัยตอนที่เราฝึกแรกๆนะเฮ้ยทำไมฉันคิดเยอะขนาดนี้วินาทีหนึ่งคิด3เรื่องอะคุณโยมติ่วบางที ท่านยังนับได้นะคะทีฉันบางครั้งนับไม่ทวนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงถามว่าต้องถามว่าลงไปในารายละเอียดว่าคุณคิดเรื่องอะไรคิดอนไรคิดเรื่องอะไรก็จะไหม <c oughs> นี่คือพระสูตรตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสเล่าให้ฟังสมัยตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์น <s> ะแต่ว่าตอนที่ตัวเองเนี่ยตัวพระองค์เองเนี่ยก่อนการตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยูย่ยเนี่ยแบ่งความคิดออกเป็น2ส่วนคือก็คิดมากเหมือนกันน่ะแหละก็คงจะคิดอยู่ใคร่ครวญเรื่องนั้นเรื่องนี้เอางั้น Igh, มันคล้าวนไปทั่วเลยเอาแบ่งเป็น2 ส, ส่วนจะส่วนหนึ่งคือส่วนที่ไม่ดีอะไรบ้างไม่ดีแนวะความคิดในทางการความคิดในทางพยาบาทความคิดในทางเบียดเบียนะนน ady, ยี้ไม่ดีแยกเป็นส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งือความคิดที่เป็นเรื่องดีๆหน่อยนะเช่นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยการเรื่องไม่พยาบาทเรื่องไม่เบียดเบียนใะนส่วนนรกเป็นยังไงเดี๋ยวไปกินนะดีกว่าเดี๋ยวโทรหาคนนี้คุยเรื่องนั้นแมมอยากดูหนังเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้คือความคิดในทางการ ความคิดในทางเบียดพยาบาทหรือเบียดเบียนก็ตามเนี่ยก็คือคิดอยากให้เขาแบบเสียเสียให้หายคิดด่าคนนั้นทําไมคนนี้มันเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนั่นก็ลักษณะอย่างที่ไม่ดีนะตรงนี้ความคิดไม่ดีคแต่ในทางตรงกันข้ามในถ้าเป็นความคิดที่ไม่ใช่เรื่องพวกนี้เช่นบางที่เราคิดว่าเราจะไปสร้างบุญสร้างกุศลให้ทานบ้างบานที่เราคิดถึงบุญคุณของคนนั้นคนนี้ เราคิดถึงพุทธประวัตินะครปฏิบัติที่บุรุษเจ้าทำอย่างเข้มงวดนะเราเลึกถึงบุรุเจ้าตรงนั้นก็เป็นความคิดที่เป็นกุศลเพราะฉะ <c oughs> นั้นเราแบ่ง2 ส, ส่วนอย่างนี้ไอ้ส่วนที่ไม่ไดีทํายังไงเรานะก็ทิ้งมันไปนะอย่าไปคิดถึงมันทําไมอะ่ะเพราะมันทําให้เราไม่ดีนะมันจะเป็นไปเพื่อเบียบเบียนตัวเองผู้อื่นแล้วก็ทั้ง2ฝ่ายแตนะ่ถามว่าไ <c oughs> อเราจะทิ้งได้ไงก็ต้องมีสติ ต, ตรงนี้ไง นะ่ะผู้ชา ต, ตรัสไว้ตรงนี้นะเล่าถึงตัวพระองค์เองตอนที่เป็นโพธิสัตว์ว่าเรารู้ชัดว่าความคิดนี้เกิดขึ้นนะ่ะรู้ชัดก็คือมีสตินั่นเองนะรู้ชัดมีสติแล้วทาําไงก็ไอ้ที่ไม่ดีก็ละซะนะ่ะเหลือแต่ที่ดีๆเพราะฉะนั้นในความคิดอา่าที่เราคิดนั่นคิดนี่เนี่ยอา่านับไม่ได้เลยว่าวินาทีนี้มันคิดกี่เรื่องเนี่ยอย่างน้อยเราต้องมีสตินะ่ะเราก็ไอ้ที่ไม่ดีคุณก็หยุดคิดซะนะจะคิดเรื่องอที่ดีๆเป็นอันนี้ได้เหมือนกัน ะทีนี้ถามว่าอาพอคิดแล้วยงังไงนะพระเจ้าก็บอกว่าไม่มีเอไม่มีอันตรายใดๆเลยนะไม่มองเห็นภัยที่จะเกิดขึ้นเ พ, นพราะความคิดในทางเป็นกุศลนั้นเป็นเหตุนะไม่มองเห็นเลยนะแม้จะกลางวันกลางคืนคุณคิดอยู่นั่นก็ไม่มีปัญหาแต่ประเด็นมันคือตรงนี้บอกว่าแต่ถ้าตรึกตามตรองตามนานเกินไป น, นั ก, กายก็จะเมือนะอม่อยล้าพอเมื่อยล้าจิตก็จะอ่อนเพลียจิตอ่อนเพลียก็จะห่างจากสมาธิตรงนี้ แล้วพวกนั้นทำยังไงคือคิดมากบางทีมันก็เหนื่อยนะคิดมากก็เหนื่อยอ๋อที่ฉันกําลังงงตรงเนี้ยค่ะที่ว่าถ้าคิดมากใช่ไหมคะตริตามตรองตามกายจะเมื่อยล้าใช่กายจะเมื่อยล้าจิตก็จะเมื่อยล้าอ่อนเพลียใช่คิดมากกายเมื่อยยังไงคะท่านอตรงที่ว่าอ่าวแหมอันนี้เคยเป็นแน่นอนคุณยมติก็เคยเป็นอย่างบางทีเราอคิดงานอย่างเงี้ย บางคนไม่ได้ทํางานไม่ได้ว่าเป็นจับกางหรือเป็นอะไรนะไม่ได้ใช้์แรงงานแต่ว่าทํางานออฟฟิศอย่างเงี้ยคุณอยู่หน้าหน้าคอมพิวเตอร์หรือเขียนรีพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเช้าคุณไปทํางานเก้าโมงเลิกตอนเย็นหกโมงเงี้ยโอ้มันเหนื่อยมันเมื่อยล้าไปทั้งวันเพราะว่าใช้สมองตลอดสมองคือกายนะสมองคือกายสมองไม่ใช่จิตเพราะฉนั้นสมองเมื่อยลา้าปุ๊บจิต ก, ก็อ่อนเพลียจิตอ่อนเพลียจิต ก, ก็จะห่างจากสมาธิแกยังไงก็แปลว่าให้คลิปได้ ถ้าเป็นการคิดดีไม่มีกา ร, รมไม่มีพยาบาทเบียดเบียนถูกต้องแต่อะไรก็ตามก็เตือนว่าอย่าคิดมากเกินไปเพราะมันจะทําให้เราจิตเรามันออกจากสมาธิได้ค่นะตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือสัมมาสังกปะนั่นเองนะสัมมาสังกปปะนะการที่เรารู้ว่าเฮ้ยอันนี้มิจฉาสังกัปะนะเฮ้ยเราอย่าไปคิดมันอันนี้สัมมาสังกัปปะนะเออเราคิดได้นะตรงนี้คือสมาธิทีละคุณรู้ว่าอะไรดีอะไรช่วคุณแยกแยะออกใช่ไหมค่ะตอนนี้อ้าวเราทําไงไอ้ที่ไม่ดีเราก็ไม่อ้าก็ส่งไหมไอ เราก็ยังรู้อะไรของมันด้วยว่าเฮ้ยแต่ถ้ามันมากเกินไปนี่มันจะเหนื่อยล้าอ่อนเปียนะอ้าวแล้วแก้ยังไงก็เข้าสมาธิให้มันลึกลงไปตรงนี้นะพระรุจ่าบอกตรงนี้บอกว่างั้นก็ทําจิตให้หยุดอยู่ในภายในนะก็ะทําให้มีอารมณ์เดียวตั้งมั่นไว้นะก็พูดง่ายๆก็หยุดกิดนน่ะละค่ะก็คิดมากไปใช่ไหมคิดเรื่อง ด, ดีนี่ก็ตามนะมันเหนื่อยใช่ไหมงั้นก็ เนี่ยไม่ต้องคิดให้ลึกลงไปสมาธิค่ะท่านค้ะงั้นก็เหมือนกับเวลาที่เราเริ่มต้นเหมือนกันมั้งคะที่ว่าเราไปรู้เนี่ยใจเพื่อจะให้ความคิดต่างๆไม่มีใช่ไหมไม่ไปรู้ว่าความคิดอะ่นแต่ว่าพอหลุดเข้ามาปุ๊บพระพุทธองค์บอกว่าอนุโลมให้ถ้าเป็นความคิดดีชไม่มีการไม่มีพยาบาทไม่มีเบียดเบียนแต่คิดมากไปมันเหนื่อยก็ให้หยุดความ หยุดอยู่กับที่ดิฉันว่าหยุดคลิปไม่ได้แต่หมายความว่าเอาจิตไปรู้กับลมหายใจอย่างนั้นอีกหรือเปล่าคะอหมายถึงว่าให้เป็นอารมณ์อันเดียวอในที่นี้ก็อารมณ์ลมหายใจถูกตั้งก็ได้ะคะือบางที่ลม<ต>หายใจมันมันดับไปแล้วด้วยซ้ําะค่ำ ท, ทีนี้จะอย่างนี้ไงะก็จะกลับไปอยู่วัฏจักรเดิมไหมคะว่าพอเอาจิตพยายามไปรู้อารมณ์อันเดียวก็อาจจะเกิดความคิดขึ้นมาอีกแล้วก็พยายามทําใหม่ ให้จิตรู้อารมณ์อันเดียวอีกอย่างนั้นเรืไ่ไปใช่ใชแล้วมันก็จะค่อยก้าวหน้าขึ้นไปก้าวหน้าขึ้นไปนะคะทีนี้ตรงตรงนี้มันต้องแยกแยะตั้งแต่แรกแล้วว่าเวลาที่เราคิดคิดคิดเนี่ยบางทีมันก็มีความคิดที่ไม่ดีโผล่ขึ้นมาไงมีความคิดที่ไม่ดีโผล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอาพาธปริชาบอกนะเป็นอาพาธของของขอ ง, ของความคิดที่เราคิดว่ามันดีนะ เราคิดว่าความคิดนั้นมันดีนะเราคิดสร้างสารรค์คิดงานการคิดเรื่องที่ทําความเพียรอะไรต่างๆแต่บางทีมันคิดเรื่องไม่ดีโผล่ว้บขึ้นมามันเป็นอาพาธอาพาธไปถึงอาการป่วยนะกนแบบร่างกายเรามีความสุขดีแล้วเราคิดว่าเราคิดเรื่องดีดแหม่ยังมีอาการป่วยเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้โอ๊ยทำยังไงดีแก้ไงดีนะก็อย่าไม่ต้องคิดเลยนะไม่ต้องคิดมันละเอียดลงไปนะคดี๋ยมวมันละเอียดลงไปค่ะ อคื อ, ค อ, คอตอนที่มันปนๆกันอยู่เนี่ยเราไม่รู้อะไรดีอะไรชั่วงั้นจัดจัดแคตากราฟมันซะนะแบ่งซ้ายขวาให้ดีแบ่งดีชั่วให้ถูกนะเอางั้นที่ไม่ดีเราทิ้งไปเราก็ว่าเรามีดีๆอยู่แต่มันมีอาพาธงั้นทำไงงั้นก็อย่ากินมันเลยนะก็เหลือแต่สิ่งที่ละเอียดลงไปนะเป็นอย่างนี้ออันนี้เท่ากับว่าสอนธรรมะให้ขั้นสูงขึ้นไปอีกใช่ใช่อันนี้กาลังจะขาที่จะก้าวขึ้นไปอยู่ <หา S 1> ที่นี่ไต่ระดับขึ้นไปใช่ใช่ก่อนที่เราจะไต่ระดับเนี่ยมันทําความเข้าใจตรงนี้ให้ละเอียดอีกกนนิดึงว่า ไอ้เรื่องทำไมพระเจ้าถึงให้เรารู้จักแยกแยะไอ้ความคิดที่ไม่ดีก่อนแล้วก็ความคิดที่ดีไว้ก่อนนะเพื่อให้เราฉลาดในในวราระจิตของตัวเราเองเพราะว่าเวลาที่มันละเอียดละเอียดขึ้นไปเนี่ยไอ้ความแคล่วคล่องชํานาญในเรื่องวรารจิตมันสําคัญนะตรงนี้พื้นฐานเราต้องมีให้ให้มั่นคงนิดหนึ่งนะพระเจ้า ต, ตัดตรงนี้บอกว่าถ้าเราตริตามตรองตามในอารมณ์ใดๆมากเนี่ยจิตจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้น อั น, นี้สำคัญมากจะไม่ขึ้นใจเลยนะเราตรึกตามตรองตามซึ่งอารมณ์ใดๆมากจิตจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นหมายคขาว่าไงคุณดูข่าวอะไรมากคุณอยู่กับใครมากคุณพูดเรื่องอะไรมากจิตคุณจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจำเอาไว้ถ้าคุณดูข่าวอาจยาการรมเล่นเกมรุนแรงนะมีเพื่อนชั่วๆเยอะจิตคุณจะน้อมไปในทางนั้นระวังให้ดีแต่ถ้า ค, คุณฟังเรื่องธรร ม, มะมีเพื่อนดีๆ พิจารณาเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลจิตคุณก็จะน้อมไปในทางนั้นๆนั้นอย่างนี้นะค่ะซื่อสาคัญนะคุณโยมติวในลักษณะนี้เราพูดถึงค่นะเมื่อเราตริดตามตรองตา ม, มนะคะอารมณ์ใดมาก จ, จิตของเราย่อมน้อมไปนะด้วย อ, อาการอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้เตือนในส่วนอารมณ์ของปฏิบัติถูกไหมคะอืมในชื่อจมวันทั้งหมดเลยล่ะ อ๋อค่ะดี๋ันเข้าใจกำลังกาลังจะพูดต่อว่าในขณะที่ท่านสอนเรื่องของปฏิบัติแต่เราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ได้ได้ได้ใช่เท่ากับว่าถ้าเราเสพอะไรมากๆไปคิดมกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นๆเราก็จิตจะน้อมไปในทางนั้นคิดไม่ดีมันก็เลยไปทางไม่ดีถูกไหมถูกต้องเลยอย่างคนอกหักเนี้ยยิ่งคุณไปฟังเพลงอกหักฟังเพลงอกหักพูดเรื่องอกหัโอ้โหมันยิ่งช้า เลิกเกอย่าไปฟังพวกนั้นคุณก็ไปฟังเรื่องอื่นคิดเรื่องดีๆหาคนที่พูดคุยในเรื่องอื่นๆที่มันจะเป็นไปนในทางกุศลก็ง่ายๆแค่นี้นจึงได้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตด้วยใช่ ใ, ชใช่รวมถึงการเล่นเกมรุนแรงนะคุณโยมติวที่เขาตอนนี้มีการข้อมูลการวิจัยว่าทำไมสังคมมันโหดร้ายมากขึ้นนะเกมกดเกมคอมพิวเตอร์เนี่ยมีส่วนมากทีเดียวเนื้อข่าวสารทางสังคมภาพยนตร์ คุณดูหนังแบบไหนมากหนังบูเลือดาสตร์จิตมันก็จะน้อมไปในทางนั้นนะค่ะอันนี้สำคัญสื่อเพราะฉะนั้นสื่อสารมวลชนเนี่ยจึงจะต้องให้พื้นที่สำหรับข่าวดีมากมากๆถึงจะดีค่ะจริงๆแล้วท่านเตือนนี้ก็ดีนะคะสื่อสารมวลชนต้องให้พื้นที่ข่าวดีวดให้มากมากามากเก้าสิบเอร์เซนเลยแม่มันมันจะดีมากบ้านเมืองเราจะดีขึ้นแน่นอน ออก่าฟันธงให้ได้ค่ะแต่ในทางตรงข้ามนะคะดิฉันมีความเข้าใจว่าณวันนี้เนี่ยเหมือนกับเรื่องดีๆมันฟังแล้วมันพื้นๆแล้วบางทีมันฟังแล้วเหมือนกับเออมาสันเซิลเยินยอยกยอปอปั้นทําไมเราไม่เห็นมันมันไม่คืออย่างนี้ค่ะท่านค่ะดิฉันสังเกตอ่ะคืออันนี้มันเป็นมานานแล้วนะคะเหมือนกับสื่อจะต้องนําเสนอในสิ่งที่มันน่าตกใจน่าตัวอะไรเงี้ยใช่ค่ะอ่าอันเนี้ยเพราะสื่อเขาคงเห็นว่า คนต้องการจ่ายตังค์เพื่อที่จะซื้อเพื่อที่จะเสพข่าวแบบนี้มากกว่าอืมแต่ถ้าท่านทั้งหลายที่ฟังรายการแล้วรู้แล้วนี่ว่าถ้าเราจะต้องเสพในสิ่งที่แบบนั้นมันจะเป็นไปแบบนั้นถ้าสิ่งมันทําให้เกิดความรุนแรงมันก็จะพลอยเป็นแบบนั้นก็ต้องมาเรียกร้องกันอามากกว่าถ้าอาจารย์ถูกไหมคะใช่ใช่เราก็เลิกดูละครที่มันน้ําเน่ามากๆานี่เป็นต้น อ, อเราก็ต้องรู้จักเลือกเสพข่าวอย่างที่คุณายติว่านั่นละ เ ร, เราควบคุมปัจจัยของเราคือบางที่เราไปควบคุมกระดือไม่ได้นะก็ตามใจใช่ไหมแต่อย่างน้อยเราควบคุมตาเราได้เราควบคุมหูเราได้เราควบคุมลิ้นเราควบคุมปากเราได้เราควบคุมตรงนี้แล้วก็พอเราควบคุมตรงนั้นได้แล้วนะนัจิตขอเราจะน้อมไปในทางกุศลตรงนี้แหละมันดีเดี๋ยวตอนนี้พอ น, น้อมไปใ น, ในทางกุศลแล้วถ้ า, ามากเกินไปเดี๋ยวกายเมือ่อยล้าจิตตอนเบือก็ให้ระ ง, งับไปในความคิดตรงนี้ให้ระงับไปพูดง่ายๆคือเข้าสมาธิมันลึกขึ้นนั่นแหละ ไหนถ้าพ <intéress é S 1> ูดถึงให้ถูกไอ้ตรงสมมาสังกปะเนี่ยถ้ามีปีติสุขด้วยไหนแล้วตั้งอยู่ในในในลักษณะนั้นได้เนี่ยก็ชื่อว่าคุณอยู่ในชาตน1แล้วนะไนในชาตน1ค <ะ S 2> ือมีว <reco> ิตกวิจัยมีปีติสุขแหนแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ค่ะต้องตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ด้วยถูกต้องถูกต้องต้องตั้งอยู่ได้ในในลักษณะหนึ่งในระยะหนึ่งอะคือคือคำว่าตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้เนี่ยคือทรงไว้ได้ในระยะหนึ่ง ส่งไว้ได้สักระยะหนึ่งเหมือนเราเล่นลูกคางนะคุณโยมติ๋วหมุนลูกคางเนี่ยถ้ามันบาลานซ์ไม่ได้มันก็มันก็ไม่ได้มันก็ต้องบาลานซ์ให้ได้สักระยะหนึ่งอย่างเงี้ยสมาธิเราก็เหมือนกันนะมีปีติสุขอะไรพวกนี้ให้ให้มีได้ก็ชับหนึ่งทีนี้ประเด็นที่จะพูดต่อไปก็คือมันมีอาพาธอยู่มันมีอาพาธที่เกิดขึ้นได้คือบางทีมันก็ไปคิดเรื่องไม่ดีมีฝรั่งคนหนึ่งเขาชื่ออเล็กซ์เขมาที่วัด เขาเป็นชาวชอเมริกันนะเขาบอกว่าคือเราพอเราพูดถึงเรื่องสมาธิว่าให้ระงับลงไปความคิดแรงต่างให้ปล่อยวางนะพอพอพูด discuss กันไปในรายละเอียดเพิ่มขึ้นเนี่ย<ๆ>บอกจริงๆแล้วเราควรจะต้องคิดไม่ใช่เหรอคิดการงานคิดวิเคราะห์นั่นนี่อะไรต่างๆเนี่ยนมาก็ก็ถามรัาคำหนึ่งบอกว่าเออความคิดมีเนี่ยดีก็ถูกครูเชาก็ได้พูดไว้ถึงเรื่องวิโกวิจารณ์มแต่ว่า ไอ้อความคิดตรงนี้ถามเขาว่าไอ้แล้วเขาคิดเรื่องที่เป็นกุศลเนี่ยตลอดเลยหรือเปล่านะเขาก็คิดแป๊บหนึ่งก็เออไม่ใช่ฮะมันก็มีเรื่องที่ไม่ดีโผล่ขึ้นมาบ้างเหมือนกันตรงนี้แหละคืออาพาธตืออาพาธอ่าที่มันจะเกิดขึ้นได้อ่าอาพาธเราเคยคุ้นกับเวลาที่เราจะพูดถึงว่าพระป่วยาาคือพระอาพาธอาพาทนี้ก็แปลว่าป่วยเหมือนกันหรือเปล่าคะใช่ใช่อาการป่วยนั่นเองนะคะแต่ว่าเป็นป่วยจากการคิด เรื่องที่ไม่ดีจึงป่วยถ้าคิดดีไม่เป็นอ า, าพาธใช่มันเป็นลักษณะแบบไม่สบายอ่ะแต่เราเดินได้อยู่แต่แหมเขาเจ็บนิดนึงอย่างเงี้ยนะมันไม่มาขัดขวางอย่างเงี้ยอืมค่ะอ่าซึ่งทําไงล่ะทําไงต่อก็ไม่ต้องคิดมันทั้งหมดอ่ะนะสมาสังกปะก็จะดับไปคือเข้าสมาธิให้ลึกลงปุ๊บเนี่ยพระุทธเจ้าพูดถึงว่าสมาสังปกปะเนี่ยดับไปในฌานสองดับไปในฌานสองสองั้นเดี๋ยวนะคะ สัมมาสังกปะดับไปชั้นสองใช่สัมมาสังกัปปะเกิดขึ้นเมื่อไรในชั้น1นึ่นดับไปเมื่อไร่ในชนนั้นะ น, ชนสองนะนี้เป็นเป็นพุทโธที่ได้ตรัสร ว, วีเพราะฉะนั้น เ, เราจะก้าวขึ้นไปแล้วก็ทําให้ละเอียดลงแล้วก็จะก้าวขึ้นพูดตรงนี้นิดนะึงไหที่เราตริตรึกเรื่องใดๆมากจิตก็จะน้ําไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยมีอุปมาอุปไมยอันหนึ่งที่คิดว่าท่านผู้ฟังที่มีประสบการณ์อาจจะอยู่เป็นคนบ้านนอกมาก่อนหรือว่า เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของบ้านสวนบ้านอะไรอย่างเงี้ยอาจะมีเรื่องตรงนี้ก็คือเวลาเขาพาเด็กเด็กเลี้ยงโคเด็กเลี้ยงควายเนี่ยพาควายไปเลี้ยงนะถ้าเป็นช่วงที่ฤดูหน้านานาที่เขาทํานากันเนี่ยนะวัวควายเนี่ยมันจะชอบกินต้นหญ้าไอ้ต้นข้าวนะเวลาที่เขาพาไปเลี้ยงเนี่ยก็ต้องระวังวัวควายเนี่ยตลอดเลยว่าไม่ให้ไปกินข้าวของเขาต้นข้าวของเขาะไม่ไงั้นจะถูก ป, ปรับแต่ถ้าตอนไหนที่เขาเกี่ยวข้าวไปหมดแล้วเป็นฤดูแล้ง นะไม่มีต้นข้าวเหลืออยู่ในนาเนี่ยเขาก็แค่ปล่อยวัวปล่อยควายไปสบายๆนะ น, นี้เป็นอุปมาอุปไมยที่พระเจ้าเบเทียว่าจิตของเราเนี่ยถ้าโดยปกติเนี่ยเราไม่ได้คิดเรื่องที่เป็นอกุศลอยู่แล้วนะเราก็ปล่อยจิตของเราให้สบายๆได้อย่าไปเครียดคลัตมันมากนักอย่เหมือนวัวควายเราก็ปล่อยสบายๆได้นะเราเราควรจะเป็นอย่างนั้นน ะ, ค, ะคือคือบางคนเนี่ยแบบเครียดคลัตบังคับจิตมากเกินไปอันนั้นคือสําหรับคนที่ อาจจะฝึกเพิ่งฝึกใหม่อาจจะมีความคิดบ้าๆบอๆอยู่ก็ต้องฝึกหนักนะแต่พอเราเข้าที่เข้าทางแล้วเราก็ไม่ต้องเครียดมากอย่างนั้นนะก็กลบว่าที่ฉันเองเได้ความรู้ใหม่นะคะที่ท่านยกประสุนนี่มาแล้วได้อธิบายมาจนถึงตอนนี้เยังเพิ่งเข้าใจว่าสัมมาสังกัปปะซึ่งถ้าเราจะทบทวนความรู้ที่เราได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะตอนที่ศึกษาถึงหนทางออกจากทุกข์ที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นอริยมรรคมนองค์8 แล้วก็สัมมาสังกัปปะเนี่ยเป็นอะไรมากองค์ที่สองใช่แต่ทีฉันเพิ่งมาทราบว่าสัมมาสังคัปปะเนี่ยจะอยู่ในฌานที่หนึ่งถูกต้องเป็ น, นะะเป็นพระทุพจนนะอ๋อค่ะเพิ่งทราบจริงๆนะคะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เป็นการดําริชอบอ่าที่จะอยู่ในฌานที่สองแล้วก็ท่านอาจารย์ก็ได้ให้ความรู้เราไปละเอียดเยอะแยะมากมายว่าในการปฏิบัตินี้เราก็ต้องเลือกคิดแต่ในสิ่งที่เป็นกุศลแต่ก็อย่าคิดนาน เพราะว่าจะทําให้เกิดอาพาธได้<ช>และต้องระวังตรีตามตรองตามอารมณ์ใดจิตจะน้อมไปในอารมณ์นั้นนะคะแล้วก็ทําสมาธิให้ลึกยิ่งขึ้นไปจนไม่คิดเพื่อที่จะได้ดับสัมมาสังกัปปะสู่ฌานที่สองทำจิตสบา ย, บายๆอย่าไปเครียดคลัดจบแล้วใช่บานใช่ใเป็นการสรุปก็กราบน้สัส ก, การขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะใช่บาน ท่านฟังที่เคารพคะรายการสัสนิสฐานะนะคะกับพระมหาภัยบุญอภิปุโนจาวัตปารนไฮโซดอนธานีโดยมีดิฉันสัรนิษานพงเป็นผู้ดำเนินรายการเราเออกอากาศกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 แห่งนี้ท่านจะมีทิศทางนะคะที่ถูกกำกับโดยคำสอนของสุดยอดพระาศาสดาด้วยตัวเองที่ได้ตรัสเอาไว้ เราก็ได้รับการถ่ายทอดกันมาถ่ายทอดกันมาเราฟังพระสูตรที่เป็นพุทธพจน์ตรงๆเลยนะคะโดยท่าทนอาจารย์ไพฑูรยอภิปุนโนนะคะได้นําเอามาบอกเราลักษณะของการดําเนินรายการเช่นนี้มีเป็นประจําทุกวันเริ่มต้นในการปฏิบัติให้ฟังพระสูตรเต็มๆแล้วก็มาทําความเข้าใจกันให้มากยิ่งขึ้นจนจบรายการติดตามรับฟังรายการได้ใหม่กันในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้พุทธวันสวัสดีค่ะ